ส่วนที่สการทำจิตให้ผ่องแผ้วการทำจิตให้ผ่องแผ้วสัจจิตตะปริโยดะปะนงังตามพยัญชนะบาลีหมายถึงทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วคือเราไปทำจิตคนอื่นให้ผ่องแผ้วไม่ได้ของใครก็ต้องทำเอาเองอย่างที่เคยเล่า ว, ว่าพระเถระท่านหนึ่งมีคนไปหาท่านแล้วบอกว่า ช่วยทําให้ใจเขาสบายให้หน่อยท่านบอกว่าไหนล่ะดึงออกมาสิถ้าดึงออกมาได้ก็จะทําให้ได้ถ้าดึงออกมาไม่ได้ก็ให้ทําใจเองอยากสบายใจก็ต้องทําเองการทําจิตให้ผ่องแผ้วต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวทําจิตให้เศร้าหมองมันก็คือตัวกิเลสกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต โดยธรรมชาติจิตเป็นของผ่องใสยอยู่ตามพระพุทธภาษิต ท, ที่ว่าปภัสระมิดังพิกขเวจิตตังตันจะโขอาคันตุเกหิอุปาเกเลเสหิอุปากริตฐังแปลว่าจิตนี้ผ่องใสโดยธรรมชาติแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จรมาก็เหมือนน้ําที่สะอาดอยู่โดยธรรมชาติ ที่เราเห็นน้ำขุนน้ำคโคลนปนเปื้อนมันขุนมันหมองไปเพราะมีสิ่งปนเปื้อนทีนี้เมื่อนําเอาสิ่งปนเปื้อนออกให้หมดก็จะกลับเป็นสะอาดอย่างเดิมการทำจิตให้บริสุทธิ์ก็มุ่งไปในการกาจัดกิเลสนั่นเป็นสิ่งเศร้าหมองของจิต โดยธรรมชาติของจิตประพัดสอนผ่องใสแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีกิเลสแบบพระรหันแต่ผ่องใสในระดับหนึ่งยกตัวอย่างน้ําก็ได้น้ําบางแห่งสะอาดพอที่จะซักผ้าได้รดผักได้แต่ไม่สะอาดพอที่จะอาบบางแห่งน้ําก็สะอาดพอที่จะอาบแต่เดิมไม่ได้ น้ำบางแห่งดื่มได้แต่ไม่สะอาดพอที่จะผสมยาฉีดได้ฉะ น, นั้นคําว่าบริสุทธิ์ผ่องใสนี่มันมีหลายระดับถ้าเอาระดับที่ไม่มีกิเลสเลยก็เป็นของพระอระหันต์แต่คนที่เกิดมานี่ถ้าถือตามหลักพุทธก็มีกิเลสมาแล้วเพราะมีกิเลสถึงเกิดส่วนมากถือตามตะวันตกตะวันตกเขาถือว่ามีชาติเดียว คนเกิดมานี่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาเป็นเอาทีหลังจะเป็นคนเสียสละหรือเป็นอะไรมาเป็นเอาทีหลังก็บอกว่าตามสิ่งแวดล้อมบ้างอะไรบ้างถ้าคุยเรื่องนี้มันจะมีปัญหาตามมาเยอะว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เป็นคนดีหรือคนไม่ดีมีหลายความเห็นบางความเห็นก็ว่ามนุษย์ดีโดยธรรมชาติไม่ดีเพราะสิ่งแวดล้อม บางคนบอกว่ามนุษย์ชั่วมาโดยธรรมชาติแต่มาดีเพราะการอบรมฝึกฝนก็ว่ากันไปเถียงกันไปถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาก็มีทั้งดีทั้งชั่วติดตัวมาทีนี้ก็มาเพิ่มเมอาภายหลังเปรียบเหมือนมเมล็ดมะม่วงกว่าจะมันก็มีเปรี้ยวมาก่อนถ้าผัานมันไม่มันก็อาจจะเปรี้ยวได้เหมือนกันสิ่งแวดล้อมจำกัดความเจริญ ในชีวิตประจำวันใครจะมีอุดมคติอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ไม่ควรลืมก็คืออุดมคติที่จะกำจัดทำลายกิเลสอยู่เสมอต้องมานัศิการคิดอยู่เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อจะกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปพัฒนาตนไปสู่ความดีถึงที่สุดจนถึงว่าไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลยค่อยเป็นค่อยไป คนไทยโบราณจะเข้าใจเรื่องนี้ดีคำอธิษฐานที่เป็นอุดมคติจะปรากฏอยู่ทั่วไปตามวัตถุที่ก่อสร้างทั่วไปอีดังวัตเมดานังอาสวะขยาวหังโหตุนิ บ, บานปั จ, จโยโหตุเขาจะสร้างเตียงสร้างต่างถวายวัดจะมีคำอธิษฐานพวกนี้ขอให้เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ พวกลาบยศสรรเสริญต่างๆมันเป็นผลพลอยได้ถ้าต้องการอยู่ยังเวียนว่ายตาตเกิดอยู่มันก็ได้แต่จุดมุ่งหมายสูงสุดของเขาอยู่ที่นิพพานอยู่ที่การละกิเลสมันสบายกว่าตั้งเยอะหละก้าประการเพื่อทำใจให้สงบก่อนทำจิตให้บริสุทธิ์ขาวรอบหนึ่งไม่จู้จี้ขี้เอาเรื่อง ซึ่งจะทำให้เป็นคนที่โกรธไม่บอดก็ทำเป็นเหมือนบอดซะบ้างไม่หนวกก็ทำเป็นหนวกไม่ใบก็ทำเป็นเหมือนใบ้ซะบ้างปากเหมือนปูหูเหมือนตะกร้าตาเหมือนตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนาให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนั้นบ้างในบางค่าว บางคราวแต่หลายๆคราวมันก็ค่อยๆถี่เข้าอันนี้ต้องรู้จุดมุ่งหมายว่าต้องการให้หัวใจเย็นถ้าเราเอาเรื่องไปเสียทุกเรื่องมันก็ไม่เย็นมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ควรเกี่ยวข้องก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นซะบ้างบางคนเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาเป็นอารมณ์หมดเป็นคนที่เอาเรื่องอะไรที่พอผ่านๆเลยๆบ้างก็ฟื้นฝอยหาตะเข็บ ตะเข็บก็คือตะขาบเดี๋ยวเจอเข้ามันก็กัดเอาสามีภรรยาอยู่กันได้ก็ด้วยเหตุนี้ไม่บอดทำเป็นบอดใชบ้างไม่หนวกทำเป็นหนวกใชบ้างปล่อยให้เขาบ่นบ้างทำเป็นไม่ได้ยินใชบ้างสองไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ปล่อยให้เป็นไฟลามทุ่งพยายามสกัดก้านมันเสีย ถ้าเป็นเรื่องเล็กอยู่แล้วก็ทำให้ไม่เป็นเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเป็นเรื่องของตัวและเป็นหน้าที่ที่สมควรทำก็จึงทาจึงเข้าแก้ไขจะปล่อยทอดทุระไปไม่ได้แต่ก็ต้องทำด้วยวิธีแยบคายไม่ใช่ทำให้มันลุกลามเป็นเรื่องราวใหญ่โตทำอย่างไรให้มันสงบลงโดยเร็วหรือโดยง่าย เพราะถ้าเกิดการทะเลาะวิวาทกันใหญ่โตแล้วมันไม่มีใครได้มีแต่เสียทั้งสองฝ่ายในกรณีภิกสุโกสัมพีที่เกิดการขัดแย้งกันพระพุทธเจ้าก็พยายามทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่ก็ทําให้สําเร็จพวกเขาไม่ฟังพระพุทธเจ้าท่านให้โอวาดมากมายเพื่อจะให้ระ ง, งับเรื่องทะเลาะวิวาทกันเสียบางทีก็ตรัสแรงๆว่า พวกโจรที่หักแห้งหักขากันมันยังสามัคคีกันได้ทำไมพิษสุสองคณะนี้จึงสามัคคีกันไม่ได้ก่อนที่จะเสด็จเข้าป่าไปก็ตรัสแรงๆเหมือนกันหรือว่ากษัตริย์ผู้มีดาบอยู่ในมือพร้อมที่จะฆ่าฟันกันก็ยังทิ้งดาบมาสามัคคีกันได้ทำไมเธอทั้งสองพวกจึงสามัคคีกันไม่ได้ก็ปล่อยให้ชาวบ้านจัดการไป ก็สำเร็จนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ปล่อยให้ไฟลามทุ่งสกัดกั้นเสียและให้สงบลงโดยเร็วอาิกรณ์เกิดขึ้นต้องรีบระงับให้สงบลงโดยเร็วมิฉะนั้นเป็นไฟลามทุ่งลามกันไปใหญ่เลยในธรรมบทภาค8มีภาษาบาลีประโยคหนึ่งที่ พระมตีพระสารีบุตรแต่ท่านเฉยมีครั้งหนึง่งยักษ์ตีพระสารีบุตรด้วยแรงยักษ์พระโมคคัลลานะท่านมีริษท่านเห็นจึงมาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพระสารีบุตรบอกปวดศรีรษานิดหน่อยพระโมคคัลลานะบอกว่าผมเห็นพระสารีบุตรบอกว่าดีนะท่านเห็นผมยังไม่เห็นเลยพระโมคคัลลานะบอกว่าอัศจ ร, ริงจริงๆพี่ชายสารีบุตรนี่ ยากดีแล้วยังทำเป็นไม่รู้เรื่องมาดูในแง่พระมหากัสปะท่านสุภัททะบันพชิตบอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ดีแล้วเราจะได้อยู่กันสบายเมื่อยังอยู่ก็จุจ้จี้พระมหากัสปะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ตรงที่ว่าถ้าปล่อยคนชนิดนี้เอาไวมา้มากๆต่อไปเป็นอันตรายกับพุทธศาสนา เป็นอันตรายกับพระศาสดาเมื่อเป็นอันตรายกับพระศาสดาแล้วก็มาเป็นอันตรายกับพระธรรมเป็นอันตรายกับพระสงฆ์ต่อไปถ้าปล่อยความคิดเห็นนี้ไปเรื่อยๆก็อันตรายท่านจึงเอาเรื่องเหมือนท่านพระธรรมปิดกปกติท่านไม่ค่อยเอาเรื่องกับใครแต่ถ้าเกี่ยวกับธรรมวินันใครจะทำให้ธรรมวิันวิปริตไปท่านเอาเรื่องไม่เฉย ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์หรือชาวพุทธที่จะต้องกำจัดปรับประวาตตามที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภเอาไว้ก่อนที่จะปรินิพานว่าจะยังไม่ปรินิพานถ้าพุทธบริษัทยังไม่สามารถจะกำจัดปรับประวาติได้มีสี่ประการหน้าที่ของชาวพุทธหนึ่งศึกษาหลักธรรมให้ชัดเจน 2. ต้องปฏิบัติ 3. ปฏิบัติได้ผลแล้วต้องสั่งสอนถ่ายทอดให้ผืนเข้าใจ 4. เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับพุทธศาสนาต้องเข้ามาแก้ไขให้ได้ก็เหมือนทหารมีคนมารุกรานประเทศแล้วเฉยอย่างนี้ก็ไม่ได้มันผิดหน้าที่เพราะฉะนั้นต้องมีการณาวสิกตาคือต้องรู้ว่า อะไรควรทําอะไรไม่ควรทํามีปัญญาไตรตรองมีโยนิโสมณสิกการสาอย่าอยู่ว่างบางคนจิตใจว้าวุ่นฟุ้งซ่านไม่ผ่องใสไม่สงบก็เพราะว่าไม่ทําอะไรคืออยู่ว่างมากเกินไปฉะนั้นคนที่ต้องการให้จิตใจผ่องใสสงบอย่างหนึ่งก็คือการทํางานอย่าอยู่ว่าง คือจิตนี่มันต้องจับอะไรสักอย่างหนึง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็นกุศลโดยธรรมดางานมันเป็นกุศลทั้งนั้นแหละครับถ้าเป็นงานที่ชอบทำจะเป็นงานราชการงานครูค้าขายอะไรมันทำให้เป็นกุศลได้หมดถ้าทำเป็นตั้งจิตให้เป็นกุศลหางานทำได้เงินก็ได้ไม่ได้เงินก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ การทำงานนี่มีอ น, นิสงส์เยอะเลยได้ความรู้ได้ความชำนาญได้เพื่อนบางทีทำงานเอาเพื่อนบางทีทำงานเอาความชำนาญบางทีได้บุญไม่ต้องได้เงินก็ได้หลวงพ่อชาไปบินธบาตไม่มีคนใส่คนถามว่าหลวงพ่อไปบินธบาตไม่ได้ข้าวท่านบอกไม่ได้บินเอาข้าวบินเอาคน อันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปบินธบาทเช้าๆนี่พระองค์ไม่ได้ไปหาอาหารพระองค์ไปโปรดคนบางทีเราทำงานไม่ได้เงินแต่ได้เพื่อนได้บุญได้ความชํานาญประสบการณ์ความรู้ได้มากมายบางทีคนอยู่ว่างๆไม่มีความสุขไปหาหมอจิตวิทยาเขาให้ทำงาน เรียกว่า occupational therapy บำบัดโดยการให้ทำงานพวกในคุกเหมือนกันต้องหางานให้ทำพระก็ต้องทำกรรมาฐานพระถ้าทำตามหลักศาสนาจริงๆจะไม่ว่างงานทางจิตงานทางสงเคราะห์เพื่อนภิกษุด้วยกันการแสวงหาความรู้เวลานี้ความรู้ทางศาสนามีแหล่งที่จะหามากมาย ถ้าเป็นพระที่สนใจหาความรู้ 4. หัดเป็นคนมีเหตุผลหรือคิดในแง่ของคนอื่นบ้างว่าถ้าเราเป็นเขาจะทำอย่างไรถ้ามันเกิดขัดแย้งกันขึ้นระหว่างประโยชน์เขาประโยชน์เราก็ให้เอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักหัดวิเคราะห์เหตุการณ์มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแก่ตนเกิดขึ้นแก่เพื่อนพ้อง เกิดขึ้นแก่ครอบครัวแก่ชุมชนแก่บ้านเมืองแก่วงการศาสนานำมาวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเอาไว้ต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นจะได้นำสิ่งนั้นมาเทียบดูอย่างนี้ทำให้เป็นคนมีเหตุผลไม่เอาตนเป็นที่ตั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่เมียขติ นี่ก็จะทำให้เป็นคนมีเหตุผลอยู่เสมอแต่ก็เป็นของยากเพราะคนอ้างเหตุผลเยอะแต่คนใช้เหตุผลจริงๆมีน้อยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติก็จะต้องใช้เหตุผลด้วยไม่ใช่อ้างเหตุผลอย่างเดียวห้ามองเหตุการณ์และบุคคลต่างๆในแง่ดีพอสมควรหรืออย่างน้อยให้มั่นใจว่ามันจะจบลงด้วยดี ไม่ใช่มองแง่ดีร้อยเปอร์ซและไม่มองแง่ร้ายร้อยเปอร์เซเอาพอสมควรมองตามความเป็นจริงมีคนหนึ่งไปติดคุกเขาบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันแต่คนก็ไม่รู้ว่าดีเหมือนกันคือยังไงจริงๆแล้วดีที่ว่าเพื่อนๆเขาไปปฏิวัติแล้วถูกจับไปฆ่าเขาติดคุกอยู่เลยไม่ได้ไปด้วยก็รอดตาย คือดูเหมือนว่าจะร้ายแต่ก็มีดีแฝงอยู่ฉะนั้นก็ให้มองแง่ดีเอาไว้บ้าง 6. ไม่เป็นทุกข์ล่วงหน้าไม่นำเอาความทุกข์ที่ล่วงแล้วมาทับถมสมทบเข้าไปอีกคือว่าให้คิดอยู่เสมอว่าความทุกข์สำหรับวันนี้ก็พอแล้วสำหรับวันนี้ไม่ต้องนำเอาความทุกข์เมื่อวานกับวันนี้มาสมทบเข้าด้วยกัน อะไรที่มันเป็นความทุกข์เมื่อวานนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นความทุกข์เมื่อวานนี้ช่างมันปล่อยมันไปและอิดโกไม่ต้องเอามาหมกมุ่นถ้าอีกเจ็ดวันมันมีเหตุการณ์ที่เรารู้สึกกังวลว่ามันจะไม่ดีเกิดขึ้นก็ค่อยทุกวันที่เจก็ได้วันที่หนึ่งกก็สบายไปก่อนขอมีความสุขไปก่อนบางคนก็ไปจมอยู่กับอดีต วันวันร้องไห้กับอดีตอาอดีตมาทําให้ปัจจุบันเสียสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับคนเราจริงๆคือปัจจุบันอยู่ในกำ ม, มือของเราอดีตผ่านไปแล้วทําอะไรไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงทําอะไรไม่ได้อีกทําปัจจุบันให้ดีที่สุดหลายคนคิดว่าถ้าอย่างนั้นประวัติศาสตร์อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจสิ อาจารย์พระธรรมปิดกบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของเหตุผลก็ต้องเอาอดีตมาเป็นบทเรียนแต่ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ก็อย่าไปเอามาการที่เราเรียนประวัติศาสตรก์ก็เพื่อจะเอาตัวอย่างที่ดีและสแสวงหาความดีจากเรื่องราวต่างๆและอะไรไม่ดีก็จะได้สอนเราว่าไม่ดีเอามาเป็นบทเรียน 7. ต้อนรับสิ่งที่หนีไม่พ้นด้วยความสงบอะไรที่รู้สึกว่ามันหนีไม่ได้ไล่ไม่ไปหนีไม่พ้นก็ต้องต้อนรับมันด้วยความสงบชะตาชีวิตบางอย่างเราหนีไม่พ้นก็ต้องต้อนรับด้วยความสงบสิ่งทีเ่เราคิดว่าร้ายบางทีมันซ่อนสิ่งดีเอาไว้ก็ได้หรือบางสิ่งที่เราคิดว่าดีอาจจะซ่อนสิ่งร้ายไว้ก็ได้ คนเป็นโรคประจำตัวบางอย่างมันต้องอยู่กับเราไปจนตายก็ต้องต้อนรับมันด้วยความสงบอยู่กับมันอย่างรู้จักมันกระวนกระวายไปก็เท่านั้นก็พยายามควบคุมให้ดีพอสมควรก็พอแล้ววิตกมากก็ทำให้เกิดโรคใหม่ขึ้นมาท่านหลินยูถางนักปราชญ์จีนกล่าวว่าความสงบที่แท้จริงของดวงจิต มาจากการยอมรับสิ่งที่เลวที่สุด t r u e peace of mind comes from accepting the worst ถ้าเรารับมันได้จิตใจก็สงบลงถ้าเราคิดว่ารับไม่ได้มันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละลองตั้งปัญหาว่าถ้าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราคิดว่าจะหนีไม่พ้นมันจะร้ายแรงแค่ไหนพอได้คำตอบแล้วว่า อย่างมากผลมันก็แค่นี้เรายอมรับมันได้ใจก็จะสงบลงเช่นร้ายแรงที่สุดก็ถูกไล่ออกจากงานเอในโลกนี้มีงานแค่นี้หรือยังมีอะไรทำอีกเยอะอยู่ได้ไม่เป็นไรพอใจยอมรับแล้วมันสงบลงทันที8เชื่อกรรม อันนี้สําคัญมากคือถ้ามันเป็นทุกข์ก็ถือว่าเป็นนี่กรรมนอกจากเราจะจับได้ว่ามันเป็นเหตุปัจจุบันนะครับถ้าจับไม่ได้ก็ถือว่าเป็นนี่กรรมใช้กรรมไปสุภาษิตในชาดกที่ว่าถ้าบุคคลประสบสุขและทุกข์เพราะบุญกรรมที่ทําไว้ในการก่อนก็ให้คิดว่าเป็นการเปลื้องนี่คือบาปกรรมที่ทําเอาไว้ก่อน สะเจปุกเบกะตะเหตุสุขดุ ข, ขังนิคัตชติโปราณักังกระตังปาปังตะเมโสมุนจเตอีนางการก่อนนี่เมื่อชั่วโมงก่อนก็ได้เมื่อวานก็ได้ประมวลเข้ามาว่าเออนี่มันเป็นเรื่องของกรรมที่เราทําเอาไว้มันก็ต้องได้รับผลอย่างนี้เมื่อทํากรรมอย่างนี้มันต้องได้รับผลอย่างนี้ เวลาเป็นผลดีก็รู้สึกชื่นชมยินดีรับเวลาเป็นผลร้ายก็ต้องเต็มใจรับต่อสู้กับมันก่อนที่จะถือว่าเป็นเรื่องของกรรมต้องสู้ก่อนไม่ใช่ยอมถึงจะเป็นเรื่องของกรรมก็ต้องสู้แต่ถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของกรรมไม่ใช่งอมืองอเท้าอยู่การงอมืองอเท้าไม่ยอมรับความจริง ไม่ใช่ลักษณะของชาวพุทธที่ฝรั่งมองคนเชื่อเรื่องกรรมว่างอมืองอเท้าไม่ยอมทำอะไรเลยเขาไม่เข้าใจเชื่อกรรมยิ่งไม่งอมืองอเท้าเพราะรู้ว่าเราสร้างกรรมดีเราจะได้ผลดีเราสามารถแก้กรรมได้โดยวิธีทำกรรมดีให้มากขึ้นมากขึ้นกรรมชั่วเก่าๆมันก็ค่อยหมดไปหายไป ไม่ใช่แก้กรรมโดยเอาไม้ไปค้ำต้นโพเป็นการสะเดาะเคราะห์ถ้าต้นโพมันอยู่ดีๆก็ไม่ต้องไปค้ำผมขอย้ำข้อ7กับข้อ8อันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังสนใจเป็นพิเศษขอให้รักษาความสงบใจไว้ก่อนเราไม่สามารถจะตัดสินอะไรด้วยเหตุการณ์เดียวบางทีมันต้องดูไปตลอดชีวิตหรือตลอดเรื่อง เหมือนกับเราดูหนังฉากเดียวมันไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้หมดต้องดูให้ทั้งเรื่องอย่างที่เคยเล่าเรื่องพ่อลูกสองคนที่ลาหายไปมีลาตัวหนึ่งพ่อรักมากลาหายไปก็เสียใจมากต่อมาไม่กี่วันลากลับมาพร้อมด้วยม้าขาวตัวหนึ่งก็ดีใจลูกชายก็ชอบขี่มา้าวันหนึ่งลูกตกมา้าขาหัก พ่อก็เส네 <man> <coping> em, <man> <man> ียใจว่าเพราะได้ม้ามาลูกถึงขาหักต่อมามีการเกณฑ์ทหารเด็กคนนี้ขาหักอยู่ก็เลยไม่ต้องไปรบพ่อก็ดีใจว่าที่ลูกพ้นจากเกณฑ์ทหารได้ก็เพราะขาหักเหตุการณ์เราไม่สามารถตัดสินได้ด้วยเหตุการณ์ตอนเดียวต้องดูระยะยาวบางทีดูเหมือนจะไม่ดีแต่ก็แฝงสิ่งดีมาด้วย ฉะนั้นขอให้ต้อนรับสิ่งที่หนีไม่พ้นด้วยความสงบคือสงบใจไว้ก่อนถ้าเผื่อไปว้าวุ่นโวยวายมากก็จะตัดสินใจผิดพูดผิดทำผิดอะไรไปหมดนี่ประการหนึ่งขอซ้ำประการที่แปดเรื่องกรรมเกิดมาก็ใช้นี่กรรมบ้างให้นี่บ้างใช้นี่บ้างเป็นเจ้าหนี้บ้างเป็นลูกหนี้บ้าง คิดว่าชีวิตมนุษย์นี้เป็นสนามที่ทดลองแรงกรรมจะดูว่าคนไหนมีแรงตามมาอย่างไรก็ดูชีวิตที่เขามีอยู่นติก ร, รมะสมังบลังไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมเวลากรรมมันจะให้ผลขึ้นมามันล็อกไว้หมดแล้ครับอย่างอื่นเข้ามาไม่ได้เลยไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วมันจะให้ผลขึ้นมาถ้ากรรมดีจะให้ผลก็เปิดหมด อะไรอะไรต้องหลบหมดถ้ากรรมชั่วจะให้ผลกรรมดีอะไรก็ต้องหลบหมดมันไล่ไปจนมุมถึงตรงนั้นจนได้ตัดกรรมไม่ได้หรอกมีตัดได้อย่างเดียวคือตัดกิเลสพอตัดกิเลสได้ก็ตัดกรรมได้มีสุภาสิทธิ์ที่มาด้วยกันนัตถิกรรมะสมังบาลังนัตถิวิชาสมังมิตังไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชา นัตถิปยาธิสมุริปุไม่มีค่าศึกใดเสมอด้วยพยาธิความเจ็บป่วยเป็นค่าศึกใหญ่มันอยู่ในตัวใครก็ป้องกันไม่ได้ไม่เหมือนค่าศึกบ้านเมืองอยู่ภายนอกช่วยกันป้องกันได้แต่นี่มันอยู่ในตัวเราเราก็ทำทีเหมือนรักมันเหลือเกินดูแลรักษาบำบัดเยียวยารักษาอยู่อย่างนั้น ก็ต้องคอยทําตัวเป็นกันเองกับมันอยู่ด้วยกันไปจนกว่าจะตายไปพร้อมกับเรามันเบียดเบียนทําลายความสุขของเรานัตถิอัตตสมังเปมังไม่มีความรักตาเสมอด้วยความรักตนอันนี้เป็นการแสดงสัจธรรมท่อนหลังท่านจึงแสดงอุดมปติว่ารู้ว่าไม่มีความรักตาเสมอด้วยความรักตนแล้ว ตนของผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช่ว่าฉันรักตัวฉันฉันต้องเอาอย่างที่ตัวอยากจะได้ใครจะเป็นอะไรเดือดร้อนแค่ไหนฉันไม่รับรู้สนองความต้องการของตัวอย่างเดียวแบบนี้ไม่มีอุดมคติถ้ามีอุดมคติก็คือเรารักตัวคนอื่นก็รักตัวเขาเหมือนกัน ฉะนั้นผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นตัสมาณหิิงเสปรังอัตตกามโมพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเป็นชุดออกมาว่าสัป บ, บาดิสาอนุปริคัมมะเจตาสาพิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้วเนวัชขาปิยตระมัตตนากวัจจิมองไม่เห็นใครที่จะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตน ไี่ไห น, ไหนเอวามปิปุถุอัตตาเปรยสังบุคคลเป็นอันมากก็รักตัวเขาเหมือนกันตัดสมานิหิงเสีปรังอัตกามโมเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นถ้าจะรักตนให้ถูกตามแนวของพระพุทธเจ้าถ้ารู้ว่ารักตนตนเป็นที่รักก็ไม่ควรจะทำบาป เพราะคนทำบาปหาความสุขได้ยากมีแต่ความทุกข์นั่นแหละรักตนจริงโดยวิถีของโลกส่วนมากก็ไม่ค่อยพิจารณาตรงนี้มีแต่ว่าฉันพอใจที่จะทำฉันพอใจที่จะเล่นฉันพอใจที่จะอยู่เป็นบาปไม่บาปอะไรไม่รู้ไม่รับรู้ส่วนชั่วมันก็เลยดึงเอาไว้ส่วนดีมันก็ไปได้ไม่เท่าไหร่ เหมือนกับเราเร่งเครื่องรถแต่มีเชือกเส้นใหญ่กั้นล้อรถอยู่รถก็ไม่ไปอบายามุกเหมือนเชื้อโรคมันทำลายพระพุทธเจ้าทรงแสดงความเจริญทางซับจะแสดงให้เว้นอบายามุกก่อนอย่างทิศหกในเรื่องสิงคาละกะมานุต้องเว้นรูรั่วทางอบายามุกก่อนแล้วค่อยแสดงทิฏธรมิกาถประโยชน์ ไม่อย่างนั้นจะเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วเสียประโยชน์เปล่าเด็กของเราเวลานี้ ฝ, ฝักใฝ่อบายามุกมากจนน่ากลัวผู้ใหญ่ก็หากินกับเด็กมอมเมาเด็กสร้างโน่นนี่ให้เด็กหลงไหลอบายามุกก็ให้มีกรรมสกตายานให้รู้เรื่องกรรมให้ดีขอให้ปักใจเชื่อมั่นในกรรมแล้วเราจะโปร่งใจสงบใจลงได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสงบใจลงได้เพราะปักใจเชื่อเรื่องกรรมบางทีเราอยากจะตัดสินอะไรเองเพราะว่าเราใจร้อนที่จริงกรรมก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่ตลอดเพราะบุคคลทุกคนจะต้องได้รับผลของกรรมที่ตัวกระทําลงไปทางตรงบ้างทางอ้อมบ้างถึงจะไม่มีใครลงโทษกรรมจะลงโทษให้เอง ถึงไม่มีใครให้รางวัลกรรมดีก็จะให้รางวัลถ้าปักใจในกรรมคนก็จะเว้นความชั่วได้โดยสมัครใจคือไม่ต้องมีใครเห็นทำความดีด้วยความเต็มใจไม่หลังเลขอให้พวกเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าสุจริตมีผลเป็นสุขวัชจริตมีผลเป็นทุกข์แต่มันจะมาเมื่ อ, อไรสลับกันอย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง อย่างที่ตรัสกับพระอานนท์ในกรณียเมตสูตรว่าสุจริตต้องให้ผลเป็นสุขทุจริตต้องให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนอานนท์ไม่ต้องสงสัยพุทธภาสิทธิที่ว่าคนที่ทำความชั่วก็เพลิดเพลินอยู่ในความชั่วตราเท่าที่ความชั่วยังไม่ให้ผลพัดโรปิปัสติปาปัง คนดีก็อาจจะเห็นความดีเป็นความชั่วได้เมื่อความดียังไม่ให้ผลคนชั่วอาจจะเห็นความชั่วเป็นความดีได้เมื่อความชั่วยังไม่ให้ผลถ้าความชั่วให้ผลเขาก็เดือดร้อนเมื่อความดีให้ผลเขาก็มีความสุขที่แน่ๆคือความดีให้ผลเป็นสุขความชั่วให้ผลเป็นภูมิพระพุทธเจ้าตรัสเป็นเอกลางสพยากลเลย คือยืนยันไปข้างเดียวเลยที่มันสลับกันเป็นเรื่องของการให้ผลตามกรรมต้องใจเย็นเย็นดูไปเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้ในสวนบางอย่างก็ให้ผลเร็วบางอย่างก็ให้ผลช้าเราก็มีแนวคิดว่าเราทำความดีนี่เราทำเพื่อผู้อื่นถ้าเราไม่ได้กินคนอื่นก็ได้กินตรงตามจุดมุ่งหมายของเราแล้วเราทำเพื่อผู้อื่น ถ้ามันจะเกิดผลแก่เราบ้างก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ถ้าได้มาก็เอาแต่จุดมุ่งหมายจริงๆก็ทำเพื่อผู้อื่นทีนี้ถ้าไม่มีผู้อื่นเราอยู่คนเดียวเราไม่รู้จะทำความดีกับใครถ้าเราทำความดีแก่ตัวเองก็ต้องทำกับคนอื่นเช่นการให้ทานก็ต้องให้คนอื่นการรักษาศีลก็คือเว้นจากการเบียดเบียนคนอื่นทำนองนี้นะครับ 9. ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งดีทั้งชั่วยึดดีติดดีก็เป็นทุกข์ตามประสาดียึดชั่วติดชั่วมันก็เป็นทุกข์ตามประสาชั่วเหมือนคนติดอะไบยมุกจับของร้อนกับจับของเย็นมันก็ให้ความทุกข์เท่ากันร้อนมากเย็นมากแบกเพชรนินจินดามัมนก็หนักแบกหินแบกทรายถ้าน้ำหนักมันเท่ากันมันก็หนักเท่ากัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้สาเบธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกมันก็หล่นพอทุกหล่นทุกไม่มีจิตใจมันสงบเย็นแจ่มใสหลักๆ ก, ก็ได้อย่างนี้นะครับวิธีทําจิตให้ผ่องแผ้วทีแรกต้องทําจิตให้สงบก่อนแล้วจึงทําจิตให้ผ่องแผ้วทีหลัง ด้วยวิธีสมัติหรือวิปัสสนาอันนี้เอาวิธีแบบโรคโควิธีสามัญแต่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ไม่สามัญเป็นวิธีที่สูงเพราะว่าทำดีแล้วอย่าถือดีอย่าอวดดีอย่าเมาดีอย่าหลงดีไม่งั้นมันจะแข็งดีบางคนไปถือศีลุโบโสดอยู่วัดสักสองสมวันออกมาปรากฏว่าบอกว่า พระไม่เห็นมีศีลเลยสู้เราไม่ได้อ้าวอย่างนี้อวดดีแล้วข้อต่อไปสมถาวิปั ส, สนาการทำจิตให้ผ่องแผ้วด้วยการเจริญสมถาวิปั ส, สนาอันนี้ผมขอโยงไปถึงวิมุตตยต น, นะนิดหนึ่งครับคือว่าการที่จะทำจิตให้ผ่องแผ้วได้ สมถะวิปัสสนาก็เป็นข้อสุดท้ายในวิมุตตยตนะซึ่งเป็นบอกเกิดของวิมุตห้าอย่าง 1. การฟังธรรมว่าทรให้หลุดพ้นได้มีตัวอย่างเยอะ 2. การแสดงธรรมผู้แสดงก็หลุดพ้นได้ 3. ส, สาธยายธรรมว่าธรให้หลุดพ้นได้ 4. พิจารณาธรรมเพ่งพินิจพิจารณาธรรมก็ทาให้หลุดพ้นได้ 5. สมถาวิปั ส, สนาทำให้หลุดพ้นสมถาวิปั ส, สนาในบางพระสูตรเช่นสลายตันนวิพังคสูตรมัชิมานิกายอุปริปันนาข้อ820เป้าสแสดงในฐานะเป็นมักคะอริยสัตว์พอทรงแสดงมัค ก, ก็แสดงสมถาวิปั ส, สนาแทนมัคมีองค์8ฉะนั้นสมถาวิปั ส, สนา ก็มาในฐานะเป็นมัรกมีองค์8ได้หรือว่ามัรกมีองค์8ใช้สมถวิปัสนาแทนก็ได้ตรงที่พูดถึงอริยสัจแปดนะครับมาเป็นคู่คู่อย่างทุ ก, ก็แสดงนามและรูปในฐานะเป็นทุกสมุทัยก็พูดถึงอวิชชากับภาวะตัณหาและนิโรธก็พูดถึงวิชาวิมุต และมาร์กก็พูดถึงสมถวิปัสนาอันนี้ในสลายตัณวิพังคสูจะเริ่มเรื่องสมถวิปัสนานะครับโดยทั่วไปจะเรียกกันว่าสมาธิในภาษาวิชาการท่านเรียกสมถะอย่างกรรมฐานสองสมถะกรรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานสมาธิกรรมฐานไม่มี ถ้าเป็นธุระก็มีพันธะธุระกับวิปัสสนาธุระสมถะแปลว่าวิธีที่จะทำใจให้สงบพอใจสงบก็เป็นสมาธิสมาธิส า, ธสามขั้นคณนิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิฉะนั้นสมาธิมันเป็นผลของสมถะ วิปัสนาเป็นความเข้าใจธรรมชาติหรือสภาวะธรรมตามความเป็นจริงสมาถาวิธีก็แบ่งเป็นเจ็ดหมวดรวมแล้วก็เป็น40ประการกะสิน10กะสินคือการเพ่งเพ่งดินก็เป็นปฐวีกะสินยากสำหรับคนทั่วไปนอกจากว่าคนที่ต้องการเล่นกะสินจริงๆถ้าจะลองทำง่ายๆก็เช่นเอากระดาษมาแผ่นหนึ่ง เอาดินสอแดงทำเป็นวงกลมเข้าแล้วก็นั่งเพ่งวงกลมมันก็ได้ทั้งสองอย่างทั้งโลหิตตกะสินโอทาตะกะสินคือได้ทั้งกะสินแดงกระสินขาวเรื่องกะสินนี้ถ้ามองในแง่จิตวิทยาเขาให้บอกว่าให้คิดว่าพลังต่างๆในโลกกำลังเข้ามาสู่ตัวเราพลังของภูเขาของน้ำของดวงอาทิตย์ กำลังเข้ามาสู่ตัวเรารัศมีของเราแผ่กระจายไปในที่ทั้งปวงเป็นการจูงใจตัวเองทางจิตวิทยาหลังจากที่เราเพ่งสิ่งขาวขาวแล้วก็มีวงแดงแดงนี่ก็จะเป็นโอทาตะกศิลป์ถ้าเป็นพุทธศาสนาก็เป็นโอทาตกศิลกับโลหิตตกศิล์ที่ว่าผู้เพ่งกศิล์หรือเอากศิลมาเป็นสมถะ ส่วนมากจะหลงเกิดขึ้นมากกว่าจะเป็นประโยชน์นั้นอันนี้ต้องคุมให้ดีถ้าเผื่อคุมไม่ดีมันจะไปติดฤทธิ์นะครับอาจารย์ทองขาวเล่าว่ามีอยู่คราวหนึ่งมีพระองค์หนึ่งไปฝึกกรสินก็สามารถคุมโน่นคุมนี่ได้ทีนี้วันหนึ่งก็ไปเจอช้างป่าก็ไปยืนขวางทางมันเพื่อจะใช้กระแสจิตไปคุมช้างปรากฏว่าก็ต้องตายไป อันนี้คือมิจฉาสมาธิใช้ไปในทางที่ปิดนิวรณ์หผมขอพูดเรื่องนิวรณ์การทำสมาธิทำสมถะก็เพื่อปราบนิวรณ์ถ้าปราบนิวรณ์ได้แล้วก็ได้ฌานถึงไม่ได้ฌานก็ยังดีนิวรณ์เป็นตัวทำลายปัญญาเป็นตัวที่ทำให้ปัญญาอับเฉาเศร้าหมอง คราวใดที่นิวรณตัวใดตัวหนึ่งครอบงำหรือหลายตัวคือทั้งห้าตัวเข้ามาครอบงำมันก็จะทำให้ปัญญาที่ควรจะเป็นควรจะได้ควรจะมีอับเฉาเศร้าหมองผู้ที่มุ่งพัฒนาจิตจึงจำเป็นต้องกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคเสียก่อนคล้ายว่าเราจะหวานข้าวกล้าลงไปในนาถ้าต้องการให้ได้ข้าวเต็มที่ก็ต้องปราบหญ้า ที่เป็นอุปสรรคของต้นข้าวซะก่อนแล้วปรับพื้นที่ให้เหมาะกับการปลูกข้าวอีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนก็ต้องทำพื้นที่ให้ดีซะก่อนทีนี้ก็มาถึงเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมสมถะซึ่งมีผลออกมาเป็นสมาธิชั้นสูงขึ้นไปก็เป็นฌานหรือวิปัสสนามีผลออกมาเป็นปัญญา ก็จะเป็นคุณที่เราต้องการก็ต้องทำลายนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคนิวรณ์ข้อหนึ่งกามฉันทะทำเป็นเครื่องปราบนิวรณ์ผู้ที่ทำสมถะหรือสมาธิต้องพยายามลดละนิวรณ์ทำที่จะมาปราบนิวรณ์ข้อกามฉันทะกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็คืออาสุภาภาวนาะ คือการอบรมจิตให้เห็นความไม่งามของสิ่งต่างๆให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูลเพื่อไม่ให้ติดใจลหลงไหลในสิ่งต่างๆจะใช้เป็นกายคตาสติก็ได้บางทีปฏิบัติแล้วลดนิวรนไม่ได้เพราะไปติดเช่นเห็นหลวงพ่อผ่องใสจีวรก็สะอาดผิวพรรณสวยงามก็ไปติดไปเพิ่มนิวรนรูปรับประมาณนิกา ถือรูปสวยเป็นประมาณถูกใจทำนองนี้สมัยหนึ่งมีคนเอาภาพไปขายในวัดมีภาพที่จะให้โปร่งกรรมฐานมีผู้หญิงผู้ชายยืนเกี่ยวแขนกันอยู่ซีกหนึ่งเป็นเนื้อหนังอีกซีกหนึ่งเป็นกระดูกความประสงค์จริงๆก็คือจะให้โปร่งกรรมฐานให้เห็นอสุภะแต่ถึงกระนั้นผู้ซื้อก็ยังเลือกเอาภาพที่สวยกว่า บางคนไปดูกระดูที่โรงพยาบาลที่เขาเอามาตอต่อก็ยังไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอยู่ว่าโครงนี้สวยโครงนี้ไม่สวยบางสำนักที่สอนสมถะก็จะเน้นเรื่องความสวยงามของสถานที่อย่างนี้จะทำให้ส่งเสริมการมาฉันทาหรือเปล่าอันนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่เป็นโทสจริตสถานที่ต้องสะอาดเรียบร้อยถ้าเป็นคนราคะจริตแล้วไม่ได้ กรรมฐานไม่เจริญมันจะไปติดอยู่ถ้าคนราคะจริตต้องรุงรังหน่อยถ้าอยู่ที่สวยงามกรรมฐานก็ไม่เจริญผมหมายถึงว่าเพื่อให้กรรมฐานเจริญนะครับในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าส่งเสริมให้เข้าไปทำกรรมฐานในป่าเพราะความสวยความงามมันหมดไปก็ไปงามในป่าคือว่าไปดูป่านั้นงามถ้าเป็นพระ ถ้าคนราคะจริตนี่ต้องรุงรังคนใส่บาตต้องรุงรังท่าทางไม่เรียบร้อยให้อย่างไม่เต็มใจเหมือนกับไม่เต็มใจแต่ถ้าเป็นคนโทสะจริตไม่ได้ทำอย่างนั้นยิ่งแย่ใหญ่สภาพจิตยิ่งแย่ใหญ่นี่แหละครับพระองค์ก็มีวิธีการเรื่องความสวยงามมีอิทธิพลกับจิตใจของคนมาก ว่าโดยทั่วไปมีอิทธิพลกับจิตใจสูงมากฉะนั้นอาสุภกรรมฐานนี่ทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันพ่ายแพ้แก่ความงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งความงามของคนด้วยกันบางคนก็อยากเข้าวัดพอเห็นวัสุกระโปรง ก, ก็เลยไม่มาโดยเฉพาะคนโทสะจริตสถานที่ต้องเรียบร้อยจึงจะทำกรรมฐานดี ผู้หญิงพื้นฐานรักสวยรักงามเป็นราคะจริตผู้หญิงบางคนก็ติดใจในความงามของตนพอใจในความเป็นผู้หญิงพลากจากความพอใจในความเป็นผู้หญิงไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงได้แต่งตัวสว ย, สวยงามได้มีเครื่องสําอางแปล ก, แ, ปลกแต่ผู้ชายไม่มีแฟชั่นแต่ถ้าจะไปปฏิบัติก็แต่งตัวไม่ได้อาจจะดูกระจกได้ แต่พระนี่ห้ามดูกระจกนอกจากจะมีแผลดูเพื่อทำให้เรียบร้อยมีคราวหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชวัดเบญจมบอบคิดท่านไปยุโรปเวลาไปไหนเขาจะเอากระดาษไปปิดกระจกหมดฝรั่งสงสัยก็ถามก็ตอบว่าตามวินยัยพระสองกระจกไม่ได้เขาก็เลื่อมใส ผู้ปฏิบัติจริงๆถ้าไม่เพื่อจะดูความโบกพร่องก็ไม่ควรจะดูเพื่อการตกแต่งแต่ผู้ชายมีเรื่องโกนหนวดถ้าไม่ดูกระจกก็โกนไม่ได้ก็อนุโลมได้หรือโกนผมก็ไม่เป็นเพื่อการตกแต่งในแง่ของอาวาสับ ป, ปายะไม่ได้หมายความว่าวัดนั้นสบายคําว่าสับปลายะคือเหมาะแก่จริตของผู้นั้นเช่น ผู้ที่เป็นราคาจริตต้องอยู่กุฏิที่รุงรังสุดโทมหน่อยสำหรับคนโทสะจริตก็ต้องอยู่ที่วัดสะอาดเรียบร้อยจึงจะทำกรรมฐานดีก็ต้องดูจริตของตัวหรืออาจารย์จะให้กรรมฐานก็ต้องรู้จริตของลูกศิษย์รวมแล้วการมฐานทะก็ต้องแก้ด้วยอาสุภกรรมฐานอาสุภาภาวนาหรือกายคตาสติ อสุภาพภาวนาใช้กับพิจารณาผู้อื่นแต่กายคตาสตินั้นพิจารณากายของตัวเองที่ไม่สวยงามนิวรณข้อที่สองพยาบาทใช้เมตตาภาวนาเป็นเครื่องปราบพยาบาทคือความปองร้ายปราถนาให้ผู้อื่นถึงความพินาศ อันนี้ขอให้จำคำจำกัดความไว้ให้ดีมันสืบเนื่องมาจากความโกรธความเกลียดมันจะตรงข้ามกับเมตตาปรารถนาดีมุ่งความสุขแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกับที่มุ่งความสุขแ ก, ก, ก, แก่ตนก็ควรฝึกจิตให้มีการุณาคือความปรารถนาจะช่วยบาบัดทุกข์ของผู้อื่นด้วยมีความหวั่นใจต่อทุกข์ของผู้อื่นคือว่า ทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของผู้อื่นทนเห็นคนอื่นหรือสัตว์อื่นอยู่ในห่วงทุกข์ไม่ได้ปรารถนาจะช่วยเหลือในวิสัยที่ช่วยได้ให้ฝึกจิตให้ยินดีปรีดาต่อความสุขความสําเร็จของผู้อื่นไม่ริษยาใครในโลกเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ควรริษยาเพราะว่าทุกคนเผชิญทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกคนกาลังตกอยู่ในห่วงทุกข์ ดุขโขตินนาดุขขะเปรตาสัตว์ทั้งหลายอย่างลงสู่ทุก์มีทุก์อยู่เบื้องหน้าถ้าทำใจอย่างนี้ความริษยาก็ไม่เกิดความริษยาเป็นตัวทําร้ายมุทิตาเมตตาก็พลอยเสียไปด้วยที่จริงการที่มีคนติเตียนสำหรับนักปฏิบัติท่านถือว่าเป็นข้อดีเป็นการทดสอบจิตใจของตัวว่า มีความวันไหวต่อโลกกระทำแค่ไหนพระโพธิสัตว์บางชาติท่านจะทำตัวให้คนดูถูกอยู่ที่ไหนมีคนดูถูกมากท่านก็จะอยู่นานอยู่ที่ไหนมีคนยกย่องมากท่านก็ไม่อยู่เป็นการฝึกตัวท่านเองทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติธรรมทนต่อคำติเตียนคําด่าว่าความขึ้นลงของชีวิตว่า คุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสนกรรมปติเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวสามารถจะครองจิตใจให้สงบผ่องแผ้วราบเรียบอยู่ได้โลกธรรมนี้เป็นตัวทดสอบสําคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่ต้องการฝึกจิตของตัวเมื่อถูกโลกธรรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพอใจหรือฝ่ายไม่พอใจก็น่าจะสำเนียจหนักว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดามันไม่อยู่หรอกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราแล้วก็ดับไปมีเมตตาต่อผู้ที่ใส่ร้ายด่าว่าเสียดสีมหาบุริสภาวัฏะลักคนังกรุณาสโห การทนไม่ได้เพราะการุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านหากุอินถูกใส่ความว่าไปทำให้ผู้หญิงในตลาดท้องผู้หญิงเป็นคนบอกพ่อแม่เขาว่ามีท้องกับท่านหากุอินซึ่งเป็นพระในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานคนเลื่อมใสท่านมากทีนี้พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้น พ่อแม่ของผู้หญิงก็ร้อนใจไปหาท่านท่านบอกเขาว่าอย่างนั้นหรือใครจะว่าอะไรท่านก็บอกว่าเขาว่าอย่างนั้นหรือท่านก็นิ่งจนผู้หญิงคลอดลูกชายก็ไปให้ท่านเลี้ยงบอกผลงานของคุณท่านบอกเขาว่าอย่างนั้นหรือก็รับเลี้ยงเอาไว้ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ความรู้สึกผิดเผาใจจนทนไม่ไหวในที่สุดก็ สารภาพกับพ่อว่าที่จริงแล้วท้องกับเด็กขายปลาในตลาดทีนี้เรื่องใหญ่มากเลยแม่เสียใจฟูมไฟทำไมไปใส่ความท่านอย่างนั้นผู้หญิงก็บอกว่ากลัวถูกตีพ่อแม่ก็ไปขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ท่านก็บอกว่าเอาว่าอย่างนั้นหรือต่อมาก็เอาเด็กไปเลี้ยงก็ให้ไปชาวบ้านที่เคย เสื่อมศรัทธาก็กลับมาเลื่อมสายอย่างเดิมเรื่องอย่างนี้ต้องมั่นคงหน่อยพอใครมาแตะก็ตีโพยตีภัยเกินเหตุก็ดูไม่งามโดยเฉพาะสมณนะแนวพิจารณาโทษของพยาบาทคือข้อหนึ่งก่อนที่จะละพยาบาทต้องพิจารณาเห็นโทษของพยาบาทก่อนให้พยายามนึกว่าเราพยาบาท ก็เหมือนเอาไฟมาสมอกตัวเองหรือมาเผาตัวเองด้วยความพยาบามของเราฤทธิ์มันร้ายแรงมากบางคนนอนไม่หลับคิดแต่เรื่องปองร้ายผู้อื่นเมื่อเห็นแล้วก็ควรดับมันเสียเพราะก่อนจะเผาคนอื่นมันเผาตัวเราเองบางทีก็เผาเขาไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เรื่องข้อสอง กอ น, นอนทุกคืนให้ทำใจให้อภัยแก่คนทุกคนแก่สะทั้งปวงเหมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกคิดเหมือนว่าการนอนครั้งนี้เป็นการนอนครั้งสุดท้ายฉะนั้นมีอะไรก็สะสางเสียมันก็อาจจะจริงนะครับตัวอย่างก็มีบางคนนอนแล้วก็ตายไปเลยแต่ถ้าเรานอนด้วยจิตพยาบาทอาฆาจองเวรใครอยู่ ก็ให้อภัยไปเสียเพื่อเห็นแก่การนอนของเราจะได้หลับสนิทและถ้าตายไปการนอนครั้งนี้ก็จะไม่มีเวรมีภัยกับใครข้อ 3.. พยายามฝังตัวเองอยู่กับอุดมคติและการงานจนไม่มีเวลาคิดพยาบาทปองร้ายใครคือการทำงานของเราแต่ละวันก็ทำไม่หมดอยู่แล้วอุดมคติของเราไม่ใช่อันนี้ อุรมพติของเราคือการทำการงานให้สำเร็จลุล่วงไปเพื่อประโยชน์เตื้อกูลแก่สันพัสสัตแก่คนทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีเวลามาคิดพยาบาทปองร้ายท่องพุทธภาส์ให้มากๆข้อสี่ขอให้คิดว่าพยาบาทเป็นอุปกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองเป็นเหตุที่จะนำไปสู่การทำชั่วทำผิดต่างๆ เป็นศัตรูของใจเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเก็บศัตรูเอาไว้ภายในมันเป็นค่าศึกภายในทำลายภายในพยายามละเสียอีกแนวหนึ่งก็คือประการที่หนึ่งพิจารณาให้เห็นคุณของการไม่พยาบาทก็ตรงข้ามนะครับต้องมองสองแง่คือแง่ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเรียกว่า อัตตะหิตะประโยชน์คือความไม่พยาบาททำให้จิตห่องใสอยู่ได้เมตตากรุณาและการให้อภัยเป็นอภัยทานประการที่สองการไม่พยาบาททำให้เป็นคนมีบุคลิกภาพน่าเลื่อมใสเช่นดวงตาสงบนิ่งดวงหน้าฉายแววของเมตตากรุณณาอยู่เสมอเป็นที่เยือกเย็นแก่ผู้เข้าใกล้ ภาษาพระท่านใช้คําว่าผู้มีฉายาอันเย็นคือร่มเงาอันเย็นเพียงแต่ได้เห็นบุคคลผู้นั้นก็เป็นมงคลแล้วไม่ต้องกล่าวถึงการได้อยู่ภายใต้ฉายาของท่านร่มเงาของบัณฑิตเหมือนร่มเงาภูเขาอันนี้ก็ตามในย่าของพระสูตรคือภาละบัณฑิตตสูตรในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาพูดถึงความสุขของบัณฑิต เหมือนร่มเงาจากภูเขามั่นคงและแผ่กว้างเท่ากับภูเขาคือภูเขาใหญ่เท่าไหร่ร่มเงามันก็ใหญ่เท่านั้นแต่คนพานตรงกันข้ามเมื่อบัณฑิตมีความสุขท่านก็แผ่ความสุกันนั้นออกมาให้แก่ผู้อื่นเหมือนร่มเงาของภูเขาเป็นมโนภาวนียาคือเป็นที่เจริญใจของผู้ได้พบได้เห็น ทำสักการะที่ผู้อื่นทําแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยให้มีผลมากถ้าเป็นคนมีคุณธรรมอย่างนี้มีเมตตาปราณีอย่างนี้ก็เป็นปูชนียบุคคลอันนี้เป็นประหิตะประโยชน์ประโยชน์ที่ผู้อื่นจะพึงได้จากการคบหาสมาคมพระพุทธเจ้าพระองค์เปรียบว่าเป็นผ้าสัมผัสนิ่มได้นุ่งห่มแล้วสบาย เหมือนคนที่มีเมตตาปราณีไม่พยาบาทคบหาสมาคมแล้วสบายไม่เดือดร้อนนิวรณข้อที่ 3, สามถีนามิททะคือความคลานกายคลานใจความง่วงงุนท้อถอยท่านให้เอาอนุสติกรรมฐานมาพิจารณาแล้วนึกถึงคุณของท่านผู้มีคุณมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นเครื่องปราบนิวรณถีนามิททะ เพรเมื่อเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีความเพียรมีอุตสาหะเมื่อเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเกื้อหนุนจิตใจของท่านผู้นั้นให้มีอุตสาหะขึ้นบ้างพยายามให้ยิ่งขึ้นไปในการพิจารณาถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือพุทธจริยาที่มีกรุณาต่อมวลสัตว์ เสด็จไปโปรดไม่ได้ย่อท้อหรือว่าพิจารณาถึงคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ก็จะช่วยให้มีวิริยะอุตสาหะและถินามิทะได้โดยอนุโลมก็พิจารณาถึงคุณของท่านผู้มีความเพียรแม้ว่าจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามแต่พิจารณาถึงใครก็ได้ที่เขามีความเพียรมีอุตสาหะ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้มีความเพียนในเรื่องต่างๆที่ทรงโอวาทภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุท้อถอยคลายความเพียพระองค์ก็จะตรัสว่าเธอมาบวชในธรรมวินัยของผู้ที่มีความเพียเช่นเราทำไมจึงคลายความเพียเสียเล่าแล้วเล่าชาดกให้ฟังว่าสมัยก่อนเธอก็เคยมีความเพีย น, นินาเป็นลูกน้องเราอย่างนี้เรียกว่า อุ ป, ปาท ก, กะมนาสิกานคือโยนิสมนาสิกานชนิดที่ร้าวกุศลกรรมให้เกิดขึ้นเวลาย่อหย่อนท้อถอยบางคนทำความดีไปก็ท้อถอยเพราะรู้สึกว่าได้ผลน้อยกว่าที่คิดเอาไว้ท้อถอยจะเลิกลาคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านมีความเพียรสันเสริญผู้มีความเพียรมีชาดกเยอะเลยครับ ก็จะได้ความอุตสาหะวิริยะขึ้นมาบางทีเท้าสักกะจอมเทพให้ลูกชายออกรบก็มัวขี้เกียจอยู่จึงตรัสว่าอนุทหังอวายมังที่ใดคนไม่มีความเพียรไม่มีความอุตสาหะแล้วก็มีความสุขได้เธอจงไปที่นั่นเถอะแล้วมาพาเราไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่า ว, ว่าเท้าสักกะจอมเทพ ทรงมีสมบัติมากมายยังทรงสรรเสริญความเพียรปลูกร้าให้ลูกมีความเพียรเมื่อเธอมาบวชในธรรมวินัยของตถาคตผู้มีความเพียรทำไมจึงคลายความเพียรจะเล่าพระองค์สอนดีมากทีเดียวอ่านข้อเขียนของท่านคึกฤทธิ์ปราโมทท่านพูดถึงพระยาอนุมารราชทลว่าท่านนั่งรถรางไปทำงาน ท่านคึกฤทธก็ถามว่าอ้าวท่านเจ้าคุณทําไมไม่นั่งรถเก๋งมาเห็นลูกเขาก็มีรถกันควรละคันสองคันท่านตอบว่านั่นเขาลูกเจ้าคุณผมมันลูกชาวนาอันนี้มันก็เป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันทําให้เด็กรู้สึกตัวและเจียมเนื้อเตรียมตัวบ้างคือไม่คิดแต่จะเสวยผลอย่างเดียว เรื่องฝรั่งที่เล่าให้ฟังกันว่าพ่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วลูกก็ไปพักในเมืองเดียวกันแต่ลูกพักโรงแรมชั้นหนึ่งยังดีที่สุดของเมืองนั้นพ่อก็ไปพักโรงแรมที่แย่ที่สุดของเมืองนั้นมีคนไปถามก็ตอบเหมือนท่านพระยาอนุมานราชชน เศรษฐีคนจีนทีแรกก็หาบของขายพอร่ำรวยแล้วเอาไม้คานนั้นมาปิดทองไว้ให้ลูกหลานดูว่าสร้างเนื้อสร้างตัวมากับไม้คานอันนี้ตัวกระตุ้นเหล่านี้เอามาใช้กับถีนมิทระมีพระเถระรูปหนึ่งสมัยที่ท่านเป็นคาวาสท่านเอาผ้าเก่าๆไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ท่านยากจนมาก นุ่งผ้าเก่าๆผืนหนึ่งพระอนน์ไปเจอเข้าบอกว่ามีชีวิตลำบากไปบวชไหมท่านบอกใครจะให้ผมบวชพระอนน์บอกผมนี่แหละจะบวชให้ท่านก็บวชต่อมาลาบสการะก็เยอะผิวพรรณดีขึ้นหมจีวรสวยงามก็คิดจะสึกก็เดินไปดูผ้าเก่าๆที่แขวนไว้ที่ต้นไม้ ก็เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่นานจนพระถามกันว่าไปไหนท่านตอบว่าไปหาอาจารย์พอวันหนึ่งก็หายไปเลยพระก็ถามว่าเอตอนนี้ไม่เห็นไปหาอาจารย์ท่านบอกไม่ต้องไปหาอาจารย์แล้วพระก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้พยากรณ์อรหัตผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่รอกท่านสําเร็จแล้ว คือท่านไปดูผ้าเก่าผืนนั้นก็กระตุ้นให้ท่านกลับมาทำความเพียรจนสำเร็จการใช้อนุสติกรรมฐานอนุสติสิบใช้ได้หมดทุกข้อพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติจาคานุสติสีลานุสติไปจนถึงอุปสมานุสติคือระลึกถึงคุณของพระนิพพาน จนเป็นที่สงบกิเลสและกองผุกระลึกไปก็ทำให้จิตใจมีอุตสาหะมีความเพียรมากยิ่งขึ้นมีภาษิตบทหนึ่งวิริยังนาเมตังสัตเตหิกตัตตบังขึ้นชื่อว่าความเพียร น, นี้สัตว์ทั้งหลายควรทาแท้อันนี้เป็นคําอุทานของพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้ทำความเพียรแล้วได้ประสบความสำเร็จ สมความมุ่งหมายที่ท่านตั้งเอาไว้คือว่าถึงเราทําก็ตายไม่ทําก็ตายทําดีกว่าสุภาษิตโบราณบอกว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มเข็มพลกขึ้นภูเขารากไม้งัดภูเขาถ้าจิตใจสู้ร่างกายมันจะช่วยให้เราไปได้ถ้าจิตใจมันไม่สู้มันท้อแท้ถึงกาลังกายมันจะดีอยู่ มันจะอนุโลมตามใจมันไม่สู้นอนเกียดตรคลานอยู่